ที่มีความปรารถนาต่อการหลุดพ้นจากการเรวียนว่ายตายเกิดต่อการสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายก็ต้องมีน้ำมันมีพลังขับเคลื่อนจิตใจจิตใจถึงสามารถที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง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 ถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติต่อจิตใจก็คือการสร้างอิทธิบาสีให้เกิดขึ้นมาภายในใจเพื่อจะได้ขับเคลื่อนใจให้ปฏิบัติธรรมเพื่อ การบรรลุถึงมรรคผลผนิพพานอิทธบาสีนี้มีอะไรบ้างอิทธบาสีมีหนึ่งฉันทะความยินดีสองวิริยะความขยันหมั่นเพียรสจิตตะความจดจอ่อสี่วิมังสา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 อิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่หรือความสำเร็จบาทคือทางอิทธิบาทก็แปลว่าทางสู่ความยิ่งใหญ่ทางสู่ความสำเร็จดังนั้นผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ประสบความสำเร็จได้จำเป็นจะต้องมี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 ถ้าได้ไปสนทนาหรือได้ยินได้ฝังการแสดงธรรมของท่านที่ได้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนิผ่านแล้วเมื่อฟังแล้วก็จะทำให้เกิดมีความยินดีที่จะปฏิบัติธรรมเพราะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมนี้จะไม่เป็นการโมฆะ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 มีฉันทะที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเจ้าชายทั้งห้านี้ก็มีพระ อ, อนอนท์อยู่รวมอยู่ด้วยหนึ่งรูปพระอนุรุท ธ, ธะพระเทวทัตนอกจากเจ้าชายทั้งห้ารูปนี้แล้วยังมี เบคคาราชบริภานที่เป็นช่างตัดผมชื่ อ, อบาลีก็ขอตามเสด็จบวทตามด้วยนี่ก็เป็นเพราะว่าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติมาแล้ว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 ที่จะปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีความความยินดีเวลาที่เรามีความยินดีจะทำอะไรเราชอบอะไรชอบจะทำอะไรนี้ความเกียดคร้าจะไม่มีจะมีแต่ความขยันแล้วเมื่อมีความขยันแล้วก็มีจิตตะคือใจที่จดจอ่อ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 เ่นมรรคที่มีองค์8หรือมรรคที่มีองค์สามเช่นมรรคที่มีองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปรความดาหรือชอบสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชิโบอาชีพชอบ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 ไม่ต้องเจริญเนื่องฐานเพราะว่าฐานนี้เราได้ทำไปแล้วเราได้สอบถานาทำระดับนี้ไปแล้วคือทราพสมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีมากมีน้อยเราได้สละไปหมดถ้าจะเก็บเอาไว้ก็เ้าเอาไว้เฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้นแต่จะไม่มีมากไปก่อนนั้น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 ไปซื้อความสุขต่างๆด้วยเงินด้วยทองเวลาที่จะมาบําเพ็ญจิตตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภ า, าวนาก็จะมีไม่มากก็จะเป็นได้อย่างมากก็แค่ระดับมือสมัครเล่นถ้าเป็นนักกีฬาก็จะเพนเพียงนักกีฬามือสมัครเล่นเช่น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 ถ้าตีแข่งขันแล้วก็จะตีได้ดีกว่าผู้ที่เป็นมือสมัครเล่นฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นก็จะสู้ผู้ที่ปฏิบัติแบบมืออาชีพไม่ได้ผู้ทีป่ปฏิบัติบบมืออาชีพก็คือไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองตัด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 ตามลำดับมาตามกำลังของการปฏิบัติดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจต่อาการเข้าหาผู้รู้จริง<ๆ>เห็นจริงผู้ที่ได้ปฏิบัติได้ได้บรรลุผลแล้วเพราะการได้ยินได้ฟังจากท่านเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนช่วยปลุกให้พลังขับเคลื่อน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 สิ่งต่างๆมาคอยรบ ก, กวนเช่นแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสผลัสพะเวลาเจริญสติก็อาจจะเผลอได้เผลอไปกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพัพภะที่มาสัมผัสรับรู้ใจก็จะคิดไปกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลพัพภะแทนที่จะจดจ่ออยู่กับอารมณ์ของการภาวนาใจก็จะไม่สงบ ใจก็จะพุ้งขึ้นมาจะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาคือกาธมฉันทะขึ้นมาเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระได้ถือศีลแปดก็อาจจะขาดได้พอคิดถึงอาหารตกตอนเย็นก็หิวจนกระทั่งทนไม่ไหวก็ขอลาออกจากศีลแปดไปก็มีขอถือเป็นศีลห้าไปก่อนอันนี้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 พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขรังเอวเมวอิตทินางเปตานางอุปกัรปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิตาเมวสมมิจตู สัพเพปุเรนตุสังกัปปายันโทปนาระโสยทามนิโชติระโสยสัสพิติโยวิวาจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายโสุขีทีขายุโกภวะ อาิวาทานสีริกสะนิจังวุฒาปะจายิโนจตรารุธรรมวะทานติอายุวะโนสุขังภาลางังต่อไปนี้ถ้าใครมีคำถาม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 น้ามาสการพระอาจารย์คะอยากจะขอกราบเรียนถามวิธีการปฏิบัตินะคะตอนนี้คือดูลมหายใจแล้วอยู่บางทีก็เพ่งอยู่ว่างวางไว้ที่ลมหายใจตรงปลายจมูกหรือบางทีก็ไว้ที่ทรงอกนะคะเแต่ในในบางครั้งที่ปฏิบัติแล้วก็จะอยู่แบบที่นิ่งๆเคยเคยกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องปฏิบัติเรื่องนี้ก็เลยวางไม่ย้ายที่ไปไหนคราวนี้เนี่ยบางทีก็จะรู้สึกว่าอาจจะสมาธิยังไม่แน่นมาก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 บางท่านนั่งแล้วรู้สึกว่าจะเอ็นไปทางซ้ายบ้างเอ็นไปขวาบ้างก็ปรับมันปรับปั๊บเดียวเดี๋ยวก็รู้สึกว่าเอาีเอนมากไปแล้วปรับกลับมาใหม่ปรับไปปรับมาก็เลยไม่ได้นั่งภาวนาได้แต่นั่งปรับท่าอยู่นั่นเพระนั้นเวลานั่งภาวนาแล้วตั้งท่าแล้วก็จบอย่าไปสนใจนอกจากมันล้มลงไปจริงๆงนั้นเพียงค่ลุกขึ้นมาตั้งใหม่ ถ้ามันคิดว่ามันเองไปซ้ายขวาไปข้างหน้าไปข้างหลังก็ช่างหัวมันขอให้เราอยู่กับลมอยู่กับงานที่เรากำหนดไว้ถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวถ้าบริกรรมพุโทโธก็บริกรรมพุโทโธไปอย่างเดียวเอางานนี้เป็นหลักส่วนอย่างอื่นนี้ไม่ต้องไปสนใจค่แต่บางทีที่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 หรือถ้าคิดพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธเพยียงอย่างเดียว<ม>อย่าไปคิดว่าร่างกายซ้ายแรือเอ็ไปทางซ้ายเอ็นไปทางขวา<ม>หรืออะไรต่างๆเดี๋ยวมันจะหลอกล่อให้เราคิดยาวไปเลย<ม><ม>แล้วนั่งไปแล้วผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาสาเหตุที่เรายังคิดอยู่ในส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากำลังของสติของเรายังมีน้อย<ม>เราเราจเริญสติไม่มากพอแล้วเราต้องพยายามจเจริญสติ เวลาที่เราไม่ได้นั่งควรจะเลี้ยสติตั้งแต่ตื่นขึ้นไปจนถึงเวลาเราหลับเลยพยายามคอยควบคุมความคิดให้มันคิดให้น้อยที่สุดให้มันอยู่กับการบริกรรมพุทธโธไปหรือให้มันอยู่กับการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปตลอดเวลาถ้าเราต้องคิดเราก็หยุดพุทธโธไว้ชั่วคราวถ้าต้องคิดถึงเรื่องการงานที่เรากําลังทําอยู่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 ทำได้อย่างต่อเนอื่องภายในห้านาทีสิบนาทีเจ็ดก็จะสงบได้กับกาพคุณุค่ ะ, ะมีกายถามตอเนะ้มไม่มีคุณมาทางนี้คืออ่านหนังสือตรงที่ปฏิบัติเพื่อไม่มาเกิดขณะที่อ่านไม่มีความรู้สึกเสี <c oughs> ยดายแยบออกมาค่ะอาจารย์ เสียดายอะไรเสียดายที่ไม่ได้มาเกิดเหรอยังอยากเกิดอีกเหรอมันแยบออกมาเองก็ต้องแยบกลับเลสิว่าเกิดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยังอยากจะแก่ยังอยากจะเจ็บยังอยากจะตายอยู่เหรอมันมันแยบมาเราก็ต้องแยบกลับไปต้องแยบทันทีใช่ไหอคะถ้ามีถ้ามีก็ต้องถ้ามีปัญญาก็แยบสิถ้าไม่มีก็สูกเขานอกเอา ถ้าไม่ไม่ยับกลับไปเดี๋ยวก็ยังอยากจะกลับมาเกิดก็อย่างนี้คุณไม่นั่งดีกว่านั่งแล้วเดี๋ยวไม่ได้เกิดไม่ได้ดูหนังไม่ฟังเพลงก็เลิกนั่งไปเพราะยังอยากจะกลับมาเกิดอยู่แต่ถ้ามีปัญญามันก็จะยับกลับไปกลับมาเกิดแล้วมันก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนะมาทุกข์อยู่ทุกวันเนี้ทุกวันที่อยู่เนี่ยมันสุขแล้วมันทุกข์กันแนะ่ต้องพยายามเจริญปัญญาไว้เรื่อย ไว้คอยต่อสู้กับกิเลสที่มันจะมาคอยหลอกล่อให้เราหลงอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพวกเรามักจะลืมความแก่วความเจ็บความตายกันมักจะลืมความทุกข์กันถึงแม้ว่าเขาจะทุกข์แสนสาหาัสทุกข์กับแฟนเก่าไปแทบเป็นแทบตายพอเจอแฟนใหม่ก็ลืมแลอยากจะได้แฟนใหม่ขึ้นใหม่เนี่ยลืมง่าย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 มันจะทำให้เราเบื่อหน่ายกับการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมีอีกไหมหมอมีใครอยากจะถามหรือปเปล่าไม่มีเอามาทางอินเทอร์เน็ตครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง f a c e b o ๊ k พระอาจารย์สุชาติวิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับข้อที่หนึ่ง การปฏิบัติบางครั้งก็ใช้คำบริกรรมพุโทโธบางครั้งก็ใช้ไม่ได้คือสติไม่มีดูไปดูลมหายใจแทนบางทีก็ดูลมหายใจพร้อมกับมีคำบริกรรมพุโทโธกากับไปด้วย mm. เอาไปเอามาก็เกิดความสงสัยพร้อมกับความไม่แน่ใจขึ้นคือบางทีใช้คำบริกรรมพุโทโธแล้วเกิดอิดอัดหายใจไม่สะดวกเพราะเมื่อครั้งเริ่มฝึกหัด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 คือประเด็นสาคัญนี้มันไม่ได้อยู่ที่จริญนะประเด็นสาคัญอยู่ที่สติมีหรือไม่มีถ้าไม่มีสติต่อให้มันถูกจริตมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีฉนั้นเราต้องอย่าไปโทษเรื่องจริญเป็นหลังให้โทษเรื่องสติเป็นหลังว่าเรามีสติน้อยไปเราเจริญสติน้อยไปเรามาเจริญสติเฉพาะเวลาที่เรานั่งนี่มันไม่พอเราต้องเจริญสติก่อน ต้องเจริญอยู่เรื่อยๆทั้งวันตลอดระยะเวลาที่เราตื่นขึ้นมานี้ควรจะเจริญสติไปได้เรื่อยถ้าเรามีสติแล้วเรื่องจริญนี้มันจะรู้เองว่าเราทำแบบไหนแล้วเรารู้สึกสบายกับแบบนั้นอันนั้นก็จะถูกจริญกับเราเราทำแบบไหนแล้วมันไม่สบายมันขัดขัดอยู่เราก็จะรู้ว่ามันไม่ถูกจริญกับเราแต่เรื่องจริญนี้มันมาทีหลัง เรื่องที่มาก่อนก็คือเรื่องของสติถ้าไม่มีสติแล้วมันก็ทำอะไรมันก็ขัดไปหมดเพราะมันไม่มีสติดังนั้นอย่าไปโทษเรื่องจริญให้ไปโทษเรื่องสติการไม่มีสติถ้าลองสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลาเช่นตื่นขึ้นมานี่ใจไม่ไปไหนได้อยู่กับร่างกายอยู่ตั้งแต่ตอนที่ลืมตาขึ้นมา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 กำหนดดูสรากศพดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายมันก็จะดมันก็จะดับทำใจให้สงบได้อันนี้ที่เรียกว่าจริตจริตนี้อยู่ที่เวลาเกิดจริตต่างๆขึ้นมาถ้าเกิดโทสะขึ้นมานีก็ต้องใช้เมตตาภาวนามาแก้กันถ้าเกิดความเสื่อมศรัทธาเกิดความทม้อแท้มเบื่อหน่ายกับการปฏิบัติ ก็ให้เราเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาถ้าเกิดความประมาทเกียดค้างก็ให้นึกถึงความตายขึ้นมาจเจริญมานานุสติแล้วมันก็จะปลุกความขี้เกียจความเลยต่างๆขึ้นให้มันหายไปทำลายมันปลุกความกระยันขึ้นมาเพราะถ้าเราไม่รีบทาเดี๋ยวเราตายไปเราจะไม่มีเวลาทำวันนึกถึงความตายอันนี้ถึงเรียกว่าเจริต เจริญมันต้องมีเหตุเช่นตอนนี้จิตของเรากาฟุ้งอยู่กับเรื่องอะไรฟุ้งกับเรื่องกามารมณ์มันก็ต้องใช้อสุภะถึงจะถูกเจริญกันฟุ้งกับความโกรธนี้ก็ต้องใช้ความเมตตาให้อภัยไม่จองเวรมามากบมันมาดับมันนี่ความหมายของเจริญเนี่ยแต่ตัวหลักจริงๆแล้วก็คือตัวสติถ้าไม่มีสติใช้แบบไหนก็ใช้ไม่ได้ทั้งนั้น เหมือนคนเมาเหล้าเนี่ยใช้มันไปทำงานให้ไปทำอะไรมันก็ทำไม่ได้ทั้งนั้นคนเมาไม่มีสติยังต้องให้เขาสั่งเมาก่อนถ้าเป็นคนขับรถก็ให้เขานอนพักก่อนอย่าให้เขาขับรถตอนที่เขาเมาเดี๋ยวก็พาตกเหวตกตกบอ่อตกหลุมอะไรไปอันใดจิตของเราก็อย่างนั้นเหมือนคนเมายังไม่มีสติไม่มีกาลังพอที่จะทาจิตให้ตั้งมั่นได้ ให้อยู่กับเรื่องเดียวได้ให้อยู่กับอารมณ์เดียวได้พอให้ตั้งให้ทํางานที่นี้อยู่ได้สองคาก็ไปแล้วบริกรรมพุโทโธได้สองคาก็ไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้มีเสียงตกลงมาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าผีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามันจะไปทันทีเลยพอมีอะไรมากระทบนิดหน่อยเพราะไม่มีสติถ้ามีสติอะไรจะเกิดก็พุโทโธพุโทโธต่อไปไม่สนใจ จิงจบะ๊กจิกๆิกจะมาทักว่านู่นว่านี่ก็ไม่ปรุงแต่งว่าเอ้เข้ามาทักอะไรเราหรือเปล่าอ mm hmm. จิตมันชอบปรุงแต่งพอมีอะไรมาส ก, กิดหน่อยมันไปกับเรื่องนั้นเลยเพราะไม่มีสติดึงมันไว้ฉะนั hmm. ้นขอให้เราพุ่งเป้าไปที่สติเป็นหลักปัญหาของการที่เราปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลนี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่การไม่มีสตินั้นเพราะเราเจริญสติน้อยไปเราไม่เห็น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 พอมาให้นั่งดูลมปัดมันอึดขึ้นมามันอาดขึ้นมาเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสเพราะไม่มีสติอคอยกันมันไว้ถ้ามีสติแล้วกิเลสมันจะไม่ค่อยมีกำลังที่จะมาสร้างปัญหาให้กับเราได้ดังนั้นขอให้เราฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับลหัดให้มันเป็นนิสัยให้ได้เลื่ตาขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือตั้งสติก่อน จะตั้งอยู่ที่ร่างกายก็ได้ตั้งอยู่ที่พุทโธก็ได้ตั้งอยู่ที่อะไรก็ได้มีตั้งสี่สิบชนิดที่เราตั้งได้จะตั้งอยู่ที่มานานุสติก็ได้ไปเงื่อนมาก็นึกถึงความตายแล้วเแี่ยวันนี้ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ตายเช้าตายกลางวานันหรือตายเย็นก็ไม่รู้ทุกวันเนี้ยมีคนตายอยู่ตลอดเวลนะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่เขาคิดว่าเขายังจะอยู่ต่อไปแต่ถ้าเราคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆใจมันก็จะ หดเข้ามาข้างในมันจะไม่ออกไปตามกตามกําลังของตันหานะความอยากมันจะหดมหมอบไม่รู้จะหาอะไรทําอะไรไปทําไมถ้าเกิดต้องตายวันนี้แล้วหาไปทําไมหาไปแล้วก็เป็นของคนอื่นไปสู่หาของที่เป็นของเราไม่ดีกว่านหาธรรมะไม่ดีกว่าหาความสงบไม่ดีกว่าหาสติไม่ดีกว่าะมันก็จะคิดกลับเข้ามาข้างใน แล้วมันก็จะมีสติมันก็จะให้มีฉันทะวิริยะที่จะปฏิบัติธรรมสร้างธรรมะขึ้นมาดีกว่าธรรมะเราเอาติดตัวไปได้รับสมบัติเข้าของเงินทองความสุขทางโลกนี้เราเอาติดตัวไปกับร่างกายไม่ได้แม้แต่ร่างกายก็เอาไปไม่ได้ใจไปได้ไปไปเอาแต่ใจกับธรรมะที่ได้ทําไว้ไปได้เท่านั้นเองนอกจากนั้นเราเอาอะไรไปไม่ได้เท่านั้น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 ให้อยู่กับเรื่องเดียวเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรากําหนดไว้แล้วใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบเวลานั่งสมาธิห้านาทีก็สงบได้ข้อที่สองนะครับหากเรามีความกําหนัดมากจะแก้ไขด้วยวิธีใดรู้สึกว่าการต่อสู้กับปัญหาราคะนี้ยากเหลือเกินเหมือนกับว่าเอาไม้ไปตีรังผึ้งแล้วมันเกิดเมโหอย่างมาก คือยิ่งเราตั้งหน้าตั้งตาเอาชนะมันมันก็ยิ่งแสดงอาการรุนแรงมากขึ้นก็ต้องเจริญสุภาพอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่สามารถเจริญภายในใจได้ก็หารูปปัสสุภาษณ์มานั่งดูนั่งเพ่งดูเวลาเกิดคนที่เกิดการบวมลมก็เกิดอย่างไงก็เปิดโดยดูภาพโป๊กันใช่ไหมถ้าอยากจะดับการบวมลมก็เปิดภาพปสุภาดูกันไปเลยมันก็จะมันก็จะดับได้ ไปดูภาพที่ก็ผ่าร่างกายออกมาชันสูตรร่างกายเห็นอวัยวะต่างๆหรือไปดูซากศพดูเวลาคนตายแล้วสวยงามหมน่ารักหน้าพิศวาสไหมไม่ดูภาพที่มันทำให้มันดับมันก็ไม่ดับสิไอ้นึกถึงภาพที่ทำให้มันเกิดมันก็จะเกิดก็มีเท่านี้แหละเ ร, เราต้องใช้เหตุใช้ผล ไฟมันเกิดจากอะไรเกิดจากไม้ขีดที่เราจุดเข้าไปในกองไฟถ้าไฟแล้วไฟมันดับด้วยอะไรมันดับด้วยน้ำเราก็เทน้ำลงไปเวลาไฟเกิดลุกขึ้นมาแล้วก็หาน้ามาดับมันไปเวลาเกิดการมาลมล้วก็หาอสุภาษมาดับมันถ้าไม่เอาอสุภาษมันไม่ดับหรอกคำถามข้อต่อไปจากคุณโนมีบุทธวัจนะนะครับเป็นคำถามยาวจึงขอย่อ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 ค่อนข้างแพงโยมจึงตัดสินใจทำสัญญาว่าจ้างบริการป้องกันเป็นรายปีทำให้โยมมีความกังวลจึงขอากราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าควรทำอย่างไรที่จะผ่อนปลนในเรื่องนี้บ้างโยมไม่มีเจตนาที่จะทำลายแต่มีเจตนาและตั้งจิตว่าขอปกป้องบ้านไว้เป็นที่อยู่อาศัยและทำความเพียรและทุกครั้งที่บริการจะมา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 มัอยู่เตะจะมาขอขอไม่ให้มันเกิดผลไม่ได้หรอกอกดแห่งกรรมเป็นอย่างนั้นจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าไม่อยากจะรับผลจากการฆ่าปลวกก็ปล่อยให้ปลวกมันกินบ้านไปไปหาที่อยู่ใหม่ขายบ้านหลังนี้ไปแล้วเวลาสร้างบ้านใหม่ก็หาวิธีป้องกันไว้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 ผลบาปยามเสียบ้านก็อย่าทำบาปปล่อยให้ปวกมันกินบ้านไปขายบ้านไปใช่ไหให้คนที่เขาไม่กลัวบาปเข้ามาจัดการมันเองคำถามข้อต่อไปจากคุณหลิ น, ห, ลนหุยหยมิงนะครับอยากกลาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระกรรมฐานหรือพระสายป่าคิดเห็นอย่างไรกับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจำพวกพระเครื่อง หรือเครื่องรางของขังถ้าหากตัวผู้บูชาไร้ซึ่งจิตใจฝักฝ่ายธทรรมพลานุภาพที่เชื่อนั้นจะเกิดหรือไม่มันเป็นของไร้สาระทั้งนั้นน่ะมันเป็นตุ๊กตาหลอกหลอกเด็กจิตที่ไม่มีปัญญาก็เหมือนเด็กให้ตุ๊กตาเด็กเด็กเอาไปเล่นก็ดีอกดีใจคิดไปต่างๆนาน า, น า, นากับตุ๊กตา คามจริงมันก็เป็นแค่ตุกตาท่านั้นหนึ่งเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งมันไม่มีพารานะพวพารานุภาพอะไรในในวัตถุเหล่านั้นดงนั mm hmm. ้นพระสายปฏิบัตินี้ท่านไม่สนใจเรื่องวัตถุมงคลต่างๆท่านสนใจอยู่กับกรรมอย่างเดียวเท่านั้นท่านจึงตั้งหน้าตั้งใจปฏิบัติแต่กรรมดี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 แต่ก็ไม่ต้องไปประมาทไม่ไม่ต้องไปอะไรลบลูใครจะเชื่อก็ปล่อยก็เชื่อไปใครเขาจะให้มาก็รับไว้ขอบอกขอบใจอนุโมทนาว่ากันไปเพื่อไม่เสียน้ำใจเสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ที่สมควรก็พอเห็นไหมฝรั่งมันตัดเสียนผ้าไปตั้งเป็นอ่เป็นของประดับในบ้านมันเห็นไม ไม่เห็นมันตายเลยไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นกับมันมันก็ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเพราะว่าพระพุทธรูปก็เป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่ว่ามีความหมายต่อผู้ที่รู้ความหมายของวัตถุชิ้นนั้นการมีพระพุทธรูปนี้ก็ไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องไทยอันตรายต่างๆเพราะปกป้องไม่ได้พระพุทธรูปนี้มีไว้เพื่อให้เราระลึกถึงคาสอนของพระพุทธเจ้า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 เราคือใครเราก็คือผู้เราคือธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราังนั้นถ้าเธออยากจะเห็นเราขอให้เธอปฏิบัติจนปรากฏธรรมขึ้นมาภายในใจของเธอเธอแล้วเธอจะมีเราอยู่กับเธอไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดและธรรมนี่แหละที่จะปกป้องเธอรักษาจิตใจของเธอให้คลายคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้แต่ ไม้แกะสลักชิ้นนี้มันไม่เป็นประโยชน์มันไม่สามารถที่จะปกป้องความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นภายในใจได้นั้นอย่าไปหลงกับเรื่องวัตถุต่างๆแต่ก็ไม่ต้องไปลบหลู่ภาพบางรูปท่านถึงกับลบหลู่พระพุทธรูปอันนี้ก็ไม่สมควรเพราะว่ามันเป็นการทำลายจิตใจของผู้ที่เขายังหลงยังมีความเขาบอยู่ถึงแม้ตนเองจะคิดว่า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 ไม่มีปัญญาก็วิมุติหุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้บรรลุมรรคผลนี้ผ่านไม่ได้งั้นทุกอย่างกลับมาที่สติเหมือนกับการเรียนหนังสือนี่แหละถ้าท่องกอไก่ข้อไข่ไม่เป็นก็เรียนหนังสือก็เรียนไม่ได้ต้องท่องกอไก่ขอไข่ให้ได้ก่อนพอรู้จักกอไก่ขอไข่แล้วก็ต้องมารู้จักวิธีผสมสละอัสละอาสละอิไปเมื่อพบรู้จากการผสมแล้วก็จะได้รู้จักความหมายของ แต่ละคําว่ามีความหมายอย่างไรเรารู้แล้วเทนี้ก็จะอ่านออกเขียนได้สื่อภาษาได้ด้วยการเขียนได้ด้วยการอ่านได้อันนี้ก็เหมือนกันสตินี้เหมือนกอไก่กไขของการปฏิบัติถ้าจะเรียนหนังสือก็ต้องเริ่มที่กอไก่กไขถ้าจะภาวนาก็ต้องเริ่มต้นที่สติสติเป็นธรรมที่สําคัญอย่างมากที่มักจะถูกมองข้ามไป บางคนข้าไปถึงปัญญาเลยสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีเอาปัญญาเลยปัญญาก็เลยกลายเป็นความหลงไปเป็นวิปัสสนาไปคิดนูน่นคิดนี้ก็บรรลุเป็นขั้นนูน่นขั้นนี้ไปแล้วโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเพราะคิดว่าในสมัยพระพุทธการฟังธรรมก็บรรลุได้เราไม่ต้องฟังธรรมล้วอ่านหนังสือธรรมะของพระเจ้าก็ต้องบรรลุได้เหมือนกันพออ่านไปปัป๊บแปลความหมาย เข้าใจความหมายก็ตอนนี้เราก็เป็นโสดาแล้วนี่ตอนนี้เราก็เป็นสกิดาคาร์มีแล้วนี่ตอนนี้เราก็เป็นอนาคามีแล้วตอนนี้เราก็เป็นอรหันต์แล้วแต่อรหันต์ที่เป็นเพียงแต่ในทฤษฎีพอกิเลสออกมาก็กาบมันโดยไม่รู้สึกตัวมันบอกไปช้อปปิ้งก็ไปเลยบอกไปเที่ยวก็ไปเลยเนี่ยบรรลุแบบนี้เรียกว่าบรรลุแบบ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 าาคำถามข้อต่อไปจากคุณแอนนะครับข้อที่หนึ่งได้ปฏิบัติโดยทาบริกรรมพุทโธสลับกับบทสวดหลวงปู่ทวดตลอดเวลาที่ว่าจากการทำงานแต่จะนั่งสมาธิไม่ได้ต่อเนื่องทุกวันเรียนถามหลวงพ่อว่าจะใช้อุบายบังคับตนให้อยากนั่งสมาธิทุกวันได้อย่างไร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 ความยินดีที่จะนั่งถึงแม้ว่าจะยากจะลำบากก็ขอให้คิดว่ามันยากมันลำบากเฉพาะช่วงต้นๆเพราะเราไม่เคยไม่ชินกับมันเหมือนกับเราหัดพิมพ์ดีดช่วงใหม่ๆนี่เราก็ต้องคอยจิ้มทีละนิ้วไปแต่พอเราทำไปเรื่อยๆทำไปบ่อยๆเข้าความชำนาญก็จะเกิดขึ้นเองต่อไปนี่ก็พิมพ์แบบสัมผัสได้ อันนี้ก็เหมือนกันการนั่งสมาธิใหม่ๆก็เหมือนกับเข็นคกขึ้นภูเขาเข็นขึ้นไปได้สักสองามเก้าก็ไหลกิ้งกลับลงมาก็ต้องพยายามเข็นมันขึ้นไปไเรื่อยๆเจนกว่าจะถึงยอดพอถึงยอดแล้วที่สบายแล้วมันไม่ไหลลงมาแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นรุโรูไม่ได้ไม่ได้สร้างขึ้นมาภายในวันเดียวให้คิดอย่างนี้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 พรถ้าไม่มีสตินั่งไปยังไงก็ไม่ได้ผลอยู่ดียังก็ต้องกลับมาที่สติอีกละถ้ามีสติแล้วเวลานั่งมันก็จะได้ผลเร็วได้มากได้น้อยมันก็จะทําให้มีกําลังใจขึ้นม า, ท, าทันทีว่าอ๋อผลจากการนั่งสมาธิดีอย่างนี้หนอะออนี่ต้องนั่งบ่อยๆต้องเจริญสติให้มากขึ้นไปจันทาวิริยะก็จะเกิดขึ้นจันทาวิริยะเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังนในในเบื้องต้น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 สละทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยให้ความสุขกับเราได้ทิ้งมันไปหมดได้เลยเพราะไม่มีอะไรที่จะดีเหมือนกับความสงบนี้เลยข้อที่สองนะครับคนที่มีศีลทำทานบ้างแต่มีจิตที่มีแต่ความกลัวตลอดเวลากลัวทุกอย่างกลัวผีกลัวคนมาทำร้ายกลัวความมืดกลัวที่จะอยู่คนเดียวกลัวตายมากที่สุด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 ทำด้วยความชังความโกรธความเกลียดอาฆาตพยาบาทก็ต้องไปนรกทำด้วยความกลัวก็ต้องไปเป็นอสูรกายทำด้วยความหลงไม่รู้ว่าผิดก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานนี่คือที่ไปของผู้มีอคติสีผู้ที่ทำบาปด้วยอคติสี่แต่ถ้ารักษาศีลได้ก็จะป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอาบายก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิม เคยกลัวอย่างไรก็ยังกลัวเหมือนเดิมอยู่เคยโลภอย่างไรก็ยังโลภเหมือนเดิมอยู่แต่อย่างน้อยไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องไปตกนรกถ้าอยากจะหายก็ต้องปฏิบัติทมเจริญปัญญาเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วก็จะสามารถทำลายอากติทั้งสี่นี้ได้ทำลายความรักความชังความกลัวความหลงได้พระอาจารย์ครับอ่า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 ถ้ามันไม่สงบก็ไม่ควรจะใช้วิธีนี้ควรจะใช้วิธีดูลมแทนถ้าไม่ชอบภาวนไม่ชอบบริกรรมพุทโธก็ลองหยุดบริกรรมแล้วดูลมหายใจเข้าออกแทนอย่าคิดเพราะความคิดของเรามันไม่เยะอยู่ในระดับที่จะทำให้จิตสงบได้คิดไปก็จะฟุ้งไปปร่าๆจะเสียเวลาไปเปล่าๆสู้กาหนดบังคับไม่ให้มันคิดจะดีกว่า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 เพราะว่าถ้าเราคิดแล้วมันไม่สงบ ก, ก็แสดงว่ามันไม่เป็นปัญญาถ้ามันคิดแล้วมันสงบมันเเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอันนี้เราก็ต้องสังเกตดูว่าอันไหนมันได้ผลทำให้ใจสงบ ก, ก, ก็ใช้อย่างนั้นไปพระอาจารย์ครับมีผู้กล่าวไว้ว่าในขณะที่พระอาจารย์แสดงธรรมอยู่ที่ศาลาไม้ตรงนี้ครับ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 เนี่ยเราต้องเอาชนะตัวนี้ให้ได้ชนะตนนี่คือการแถ่เมตตาาขอเรียนตามขณะที่เดินจมกรมมาค่ะพระอาจารย์มันมีความรู้สึกบางอย่างปร๊บขึ้นมาท่านทีใช้สติบอกเฮ้ยวิจิตกิจชา้า <laughs> เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกกลัวแต่ก็ไม่รู้จะยับยังไงกลับไปเอ็งหาเรื่องให้ตกนรกอีกแล้วเพราะกลัว พอรู้ว่าถ้าคิดต่อรู้ว่าแยับออกมาเนี้ยคือแยับที่จะเป็นล่วงเกินครูบาอาจารย์ว่า อ, อาจารย์คำถามมันที่หนึ่งก็คือลักษณะอย่างเนี้ยจะใช้ปัญญายัางไงซึ่งจะแยับกลับไปแต่ตอนนั้นใช้สติแยับเพราะกลัวตกนรกค่ะเราเรามีปัญหาอะไร่ะตอนเนี้ยตอนนั้นเนี้ยเป็นปัญหาไม่เป็นอะไรจะไปประมาทเขาเลยหรือจะไปอะไรคื อ, อ อ่านหนังสือเกี่ยวกับครูบาอาจารย์แล้วก็อาจารย์อุดดีมันแวบขึ้นมาเรารู้ว่าถ้าเราคิดต่อหมายถึงเราจะไปร่วมเกินครูบาอาจารย์นี่เว้ยเป็นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคราอาจารย์เลยรีบเบรกอะไรแบบนีก็เราต้องใช้หลักการมาสูตรไงไม่ว่าท่านพูดอะไรก็ตามก็เป็นเรื่องของท่านเราจะเชื่อไม่เชื่อนี้มันเป็นเรื่องของเรา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 นี่คือหลักการของเวลาที่เราได้ยินได้ฟังอะไรจากใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นให้ฟังหูไวห่หูอย่างที่วันนี้พูดก็ไม่ต้องเชื่อเราเราไม่เราไม่เสียใจหรอกถ้าไม่เชื่อเราแต่อย่าปฏิเสธก็แล้วกันเพราะคุณยังไม่รู้ว่าเราพูดจริงเราไม่พูดไม่จริงถ้าคุณมีหลักฐานมายืนยันว่าเราพูดผิดนี้เราก็จะเชื่อเราจะยอมรับเลยถ้าเราพูดผิดเอาแล้วมั้งกดี